Book 2ห้าสิสี่ซื้อของนผมต้องการซื้อของขวัญฉเาแต่เอาที่ไม่แพงมากนมสดราฮี อาจจะเป็นกระเป๋าถือม o ง n น้า k ยากกู้ l าคุณอยากได้สีอะไรอยากกู้บาร์วูบิสเ c ห sì t เทลอยากกู้บาร์ i ูบิ c เตห a สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวชีร์นู h n ์ d o u n e b o bí l ์บีลใบใหญ่หรือใบเล็กวีทชีเนบอว์เมนชี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 ย zvlávalit และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะครับอะตาตาชกาเยสกูตเชนเยเวลมีเลวนาผมชอบครับทัตโตเซมิลีบผมเอาครับเวซมุสิทุตโผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าต้องการ Mohu jí případně vyměnit? Daňe n á n krab. Samozřejmě. Zabalíme ji jako dárek. t a á Tam h l e je p o k l a d n á